ระหว่างเป็นทุกข์กับเห็นทุกข์ต่างกันตรงที่มีสติกับไม่มีสติเห็นทุกข์โดยไม่รู้สึกโทมนัสคือไม่รู้สึกกระวนกระวายอยากหายทุกข์ไม่รู้สึกพลุ่งพลานอยากด่าทอผู้ทำให้เป็นทุกข์ไม่รู้สึกอยากร่มครวญพรรณนาทุกข์ให้ใครฟังรู้สึกแต่ว่าทุกข์เป็นอารมณ์มือชั่วคราวรู้สึกแต่ว่าทุกข์เป็นความปันป่นป่วนชั่วคราว รู้สึกแต่ว่าทุกเป็นความกดดันชั่วกราวเป็นของภายในเกิดที่ข้างในหายไปจากข้างในไม่เกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่ขึ้นอยู่กับใครนอกตัวนั่นละคุณตีตัวออกห่างจากสัญชตาตญาณดิบของมนุษย์แล้วคุณอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขที่แท้แล้วคุณกำลังเจริญสติอย่างมีคุณภาพแล้ว ธรรมดาเมื่อชาวโลกเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อใดก็อยากตีอกชกหัวอยากหายทุกข์อยากด่าทอคนที่ทําให้ทุกข์อยากคร่าครวญพรรนาใหคนทั้งโลกรู้ว่าตนเป็นทุกข์ต้องอาศัยผู้รู้ทางดับทุกข์ที่แท้จริงอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกมาชี้ทางว่าอย่าดูข้างนอกให้ดูข้างในไม่ใช่จดจ้องแต่ต้นเหตุทางหูทางตาเมื่อทําตามท่านชี้ทางอยู่ย่อมเห็นความมืดบอดของใจบ้าง ความปั่นป่วนทรมานใจบ้างความกดดันในใจบ้างเห็นไปเห็นมาจะเริ่มเอจใจว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้จริงไม่มีสิ่งใดอยู่ในใจนานอารมณ์ทุกข์เป็นแค่ของแปลกปลอมผ่านเข้ามาทางหูตาแต่อยู่ในใจไม่ได้ตราบเท่าที่เราไม่เชื่อว่ามันเป็นตัวของเราเป็นของของเรา ศีลแม้จะขาดบกพร่องไปบ้างก็ยังสามารถเจริญสติได้ถามรักษาศีลได้ไม่ครบทุกข้อจะปฏิบัติธรรมคืบหน้าไหมการรักษาศีลได้แต่ละข้อนั่นแหละครับความคืบหน้าในการปฏิบัติการเจริญสตินั้นถ้าศีลข้อใดข้อหนึ่งยังขาดคล่องอยู่เรื่อยๆสติก็ไม่มีทางสมบูรณ์ขึ้นมา อย่างไรก็ตามแม้ศีลจะขาดพร่องไปบ้างก็ยังสามารถเจริญสติรู้เห็นความจริงเกี่ยวกับกายใจได้ไม่ใช่จะรู้อะไรไม่ได้เลยคืบหน้าอะไรไม่ได้เลยเพียงแต่ยากที่จิตจะรวมลงถึงมรรคถึงผลถ้าศีลไม่สะอาดบริบูรณ์เพราะพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้ว่าจะถึงโซดาปฏิผลก็ต่เมื่อมีศีลที่ไม่บกพร่องเป็นฐานครับ